พระธรรมเทศนาแผ่นที่65าลำดับที่สองโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่15เมษายนส5 5 7ายมีชื่อเรื่องว่าสอนลูกสอนหลานในวันสงกรานต์ไทย พระในวัดของเราเดี๋ยวนี้ทั้งหมดพระ29สเ ม, มนเนนหนึ่งวันนี้ลงมาชัน24ลงมาชัน24รูปงดชันไปหไม่มาชันพร้อมกันวันนี้เป็นวันที่ส5บห้าเมษายนพุทธศักราช2557ห้าวันนี้ยังเป็นวันหยุด ราชการแล้วก็คงจะเปิดวันที่15ทําทำการทำงานบริษัทห้างร้านต่างๆช่วงนี้เป็นช่วงหยุดเทศกาลขราชการพ่อค้าประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนกลับมาเยี่ยมบ้านมาทำธุรกิจ ภารกิจของตนเองที่ยังค้างอยู่หยุดหลายวันอันนี้ก็คือจุดใหญ่พร้อมการก็เป็นฤดูร้อนของประเทศไทยทางบรรพบรุษของพวกเราเขาก็ถือกันมาเป็นวันปีใหม่ว่าปีใหม่ไทยเพราะนั้นถือว่าเป็นวันสำคัญของชาติไทยของพวกเรา ปล่อยให้หยุดให้ข้าราชการทุกมูเราแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกบริษัททางร้านกลับเยี่ยมบ้านเพื่อมาประกอบภารกิจธุรกิจของตนเองพร้อมกันก็มามุดน้ำดำหัวเคารพกระวะบรรพบุบรุษของพวกเราคือพ่อแม่ปู่ย่าตายาย ที่ท่านล่วงลับไปหรือว่าท่านยังมีชีวิตอยู่ลูกหลานทั้งหลายก็ได้มาเห็นมาเคารพคารวะผู้มีอุปกระคุณอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นสื่อในประเทศไทยทั้งวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์เขาก็ออกข่าวว่าข้าราชการไปมุดน้ำรำหัว ท่านผู้ใดบ้างที่เป็นผู้ใหญ่เป็นข้าราชการอาวุโสหรือว่ามีผู้มีคุณโอปการต่อประเทศชาติอันนี้ก็คือให้พี่น้องประชาชนเอาเป็นตัวอย่างแต่พวกเราท่านทั้งหลายทุกคนที่เกิดมาจะต้องมีบรรพบุรุษหรือว่าบุคคลผู้มีอุปกรณคุณอย่างน้อยเมื่อพ่อแม่ของเราจากไปเราก็ยังมีพี่ป้าน้าอา ที่เลี้ยงดูเราก็ยังมีอยู่ถ้าเราลำลึกถึงนะถ้าว่าคนมีปัญญายอมลำลึกถึงบุญคุณของคนได้ถ้าว่าคนเห็นแก่ตัวคนโง่ใช่ยักษนะ์เพอๆยังกินเหล้าเข้าไปอีกจะละลึกถึงบุญคุณของใครไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะว่าขาดสตินะถ้าคนมีสติมีปัญญาก็พร้อมที่จะลำลึกถึง บุญคุณของบุคคลผู้มีอุปการะก่อนเราควรจะแสดงความกตัญญูกะตะเวทิตาอย่างไรต่อบรรพบุรุษหรือว่าผู้มีพระคุณเหล่านั้นอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราที่เป็นบุตรธิดาทุกคนเป็นลูกหญิงลูกชายทุกคนหรือว่าพวกเรายังมีพ่อแม่อยู่พวกเราก็ควรจะสํานึกลานึกถึงพระคุณของท่านเพราะท่านมีเป็นผู้มีอุปการะก่อน อันนี้คือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาถ้าเป็นพระอย่างหลวงพ่อไม่พูดพวกเรานึกดรู้สิว่าใครจะเป็นคนพูดพูดขึ้นมากระเจ็บตัวเท่านั้นใครเป็นคนพูดขนาดพ่อแม่พูดสอนลูกลูกก็ยังว่ายารำเลิกพ่อแม่ก็จะว่าอะไรเงียบเลี้ยงดูแล้วก็แล้วไปจะมาพูดทาไมลําคาญหูพูดอย่างนั้นเข้าไปอีก พ่อแม่ก็ไม่ไม่รู้จะพูดยังไงแต่ถ้าหากว่าเป็นพระอย่างหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อนี่พูดให้ลูกหลานได้ฟังได้ศึกษาลูกหลานจะเชื่อหรือไม่เชื่ออย่างไรอันนั้นลูกหลานไปกันกรองไตรตรวงด้วยเหตุและผลพอลูกหลานมาสู่วัดวาสาศาสนามาเข้ามาหาสมณะพราหมณ์สมณะพราหมณ์ก็อย่างหลวงพ่อเนี่ยเป็นสมณะพราหมณ์ เป็นผู้แนะนำสั่งสอนลูกหลานพี่น้องประชาชนให้รู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักสิ่งควรไม่ควรถ้าไม่ถ้าสมณพราหมณ์อย่างหลวงพ่อนะไม่พูดนะพระสงฆ์ไม่พูดก็มองไม่เห็นใครอื่นเลยที่จะพูดในสิ่งศีลธรรมจริยธรรมคุณธรรมให้กับพี่น้องประชาชนได้ฟังได้ศึกษาเพราะนั้นหลวงพ่ออยู่ในสถานะที่จะต้องพูด ลูกหลานเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างวันสงกรานต์วันปีใหม่หรือวันเข้าพรรษาออกพรรษาวันมาฆะวิสาขาบูชาวันอาสาระบูชาวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาหลวงพ่อจะถือโอกาสบอกกล่าวแนะนำลูกหลานเอออันนี้ควรเนะ้ออันนี้ไม่ควรเนะ้ออันนี้ควรคิดอันนี้ควรทำอันนี้ควรพูดนะลูกหลานเออต้องมีนิสัยอ่อนน้อมถ่อมตนคนมิรที่มีนิสัยอ่อน เคารพคารวะพ่อแม่แล้วมีแต่ความเจริญผาสุกต่อไปภายภาคหน้าแต่เมื่อเราเป็นผู้ใหญ่เมื่อเราเป็นพ่อเป็นแม่เขาต่อไปภายภาคหน้าพวกเราต้องเป็นพ่อเป็นแม่เขาแตเป็นเด็กหนุ่มนะถ้าว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่เขาอยู่แล้วเราก็เห็นแล้วว่าเราทำตนอย่างไงกับพ่อแม่ของเราแต่ก่อนหน้านี้มาถึงจุดของเราเนี่ยลูกของเราทาให้กับเรานี่เรามีความรู้สึกอย่างไร ในขณะที่ลูกของเราทําให้กับเราอันนี้ก็คือเมื่อเรา เ, ออเมื่อมาถึงจุดนี้มันก็สายไปเสียแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงพ่อแม่ของเราบางทีก็จากไปเสียแล้วแต่พวกเราหนูที่เป็นลูกหลานทนี้ยังเป็นหนุ่มสาวที่หลวงพ่อแนะนําสั่งสอนก็คือพวกเรายังเป็นหนุ่มสาวยังไม่มีครอบครัวควรจะสำนึกเอาไว้เหมือนกันเมื่อพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาเราก็ควรจะ ลํารึกถึง อ, อต่อไปภายภาคหน้าถ้าว่าพวกเรามีครอบครัว ม, มีลูกขึ้นมาเราจะสอนลูกเราอย่างไรถ้าเราเกเรยอย่างเนี้ยไม่ยอมฟังพ่อแม่อย่างนี้ล่ะเอาแต่ใจตัวเองอย่างนี้ล่ะเราจะสอนลูกเราอย่างไรถ้าเราเป็นลูกล่ะถ้าเราได้ลูกอย่างเราเนี่นยเราคิดว่าเมื่อเราได้ลูกอย่างเราเกเรยอย่างนี้ล่ะเราเป็นที่พอใจไหม ให้ทับใจตัวเองถ้าหาว่าพวกเราถามอู๋ทางว่าเป็นลูกเอาแต่ใจตัวเองอย่างนี้พ่อแม่พูดไม่ได้อย่างนี้ถ้าเป็นลูกของเราเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงอีกเหมือนกันอึดอัดอจะทํำยังไงจะไล่หนีหรือกระลูกจะเลี้ยงไว้หรื อ, อมันก็เป็นก้างขวางคอเป็นหอกเป็นแหลนเหลาอยู่ข้างๆเราอยู่ตลอดเวลา ไม่รู้จะมีเกิดพิษภัยอะไรก็ไม่รู้กับเรากับพ่อแม่นี่ถ้าเราทำตัวอย่างนี้มันไม่ดีต่ อ, อต่อพ่อแม่แน่นอนถ้าเป็นเราถ้าเรามีลูกอย่างนี้อย่างลูกอย่างตัวของเรานี้สิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกลูกหลานทุกคนสำนึกย้อนกลับไปกลับมาอันนี้แหละคือปัญญาอันนี้คือปัญญาคือแนวความคิด เ, เมื่อเราเป็นพ่อแม่ทาตัวอย่างนี้ เมื่อเราเป็นลูกเนะี่ยขณะนี้เราทาตัวยังไงกับพ่อแม่เนะี่ยสิ่งเหล่านี้อยากจะให้ลูกหลานทุกคนช่วยการคิดแล้วก็ปรับปรุงกายใจของตนเองจากนั้นก็ปรับปรุงให้ตัวเองเป็นคนดีลเลยการอ่อนน้อมถ่อมตนเชื่อฟังไว้ดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นพิษภัยเพื่อความสบายใจของพ่อแม่จะยืดชีวิตของพ่อแม่ให้พ่อแม่ได้รับความสบายอกสบายใจกับเรา ตาหว่าคนนั่นเขาเอาแต่ใจคนนี้เขาเอาแต่ใจพ่อแม่ก็เลยประสาทกินเลยท่านเองทั้งที่เงินคําทรัพย์สมบัติก็มีแต่ไม่รู้จะเอาใจใครบ้างแต่ในแต่ละลูกผล้โดยสุดก็น่ะกลัวลกูกต่างหากากลัวมันจะมีพิษมีภัยอย่างเราเห็นในสื่อต่างๆ่างอย่างปีนี้ก็เสียงดังโคมคามกันขึ้นม า, อาสองสามเรื่อง เ, อเรื่องสองเรื่องอพวกเราได้เห็นลูกหลานทั้งหลายก็คงเห็น ทางว่าเป็นพี่น้องลูกหลานของเราล่ะเรามีความรู้สึกอย่างไรถ้ามีอย่างนั้นเกิดขึ้นในตระกูลของเราสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราทบทวนการกรอนไตรตรองเอาศีลธรรมจริยธรรมเข้ามานำชีวิตของพวกเราถ้าพวกเราเอาคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมนาชีวิตของพวกเราแล้วพวกเราจะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขพ่อแม่ก็ออยู่ในสถานะพ่อแม่ เราในสถานะลูกเราอยู่ในสถานะไหนก็ให้มองตนเองให้ดูตนเองสรุปแล้วก็คือให้มองตนเองถ้าเราไม่มองตนเองไม่ดูตนเองเราเป็นลูกเราอยากจะทำหน้าที่สถานะพ่อสถานะแม่มันก็ไม่ถูกเป็นว่าก้าว่ายถ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่เราทำหน้าที่ สถานะไหนกลับมาทำเป็นเด็กเหมือนกับลูกตัวเองคีแอมันใช้ได้หรอมันก็ไม่ได้อีกเหมือนกันอย่างเป็นครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อเนี่ยจะทำตนเหมือนเป็นลูกศิษย์ก็ไม่ได้จะต้องทำตนให้เป็นครูบาอาจารย์ให้เป็นหลักของวัดในเมื่อเป็นลูกศิษย์สมัยก่อนลูกพ่อเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อก็ต้องเงียบอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่กับลงตามหาบัวอยู่หลหลวงปูล่ลา อยู่กับครูบาอาจารย์ก็ต้องเหียบต้องรับใช้ครูบาอาจารย์พราะในสถานะเราเป็นสิทธิ์เราก็ต้องทําตนอยู่ในฐานะสิทธิ์ในเมื่อเราเป็นขึ้นเขายกให้เป็นหัวหน้าเป็นเจ้าอาวาสเป็นหัวหน้าหลวงพ่อเองก็จะต้องทําหน้าที่หัวหน้าจะแนะนําสั่งสอนพี่น้องประชาชนจตหาญาติโยมพระเนนลูกศิษย์ลูกหาอย่างไรจะเป็นผู้นําในกลุ่มของเราอย่างไร อันนี้ก็คือสถานะของอาจารย์นี่ยนะมันอยู่ในสถานะของใครของเราทั้งหมดอย่างครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันเป็นครูสอนนักเรียนเมื่อเป็นครูทำตนอย่างไรเมื่อเป็นนักเรียนควรจะทำตนอย่างไร เ, เป็นตำรวจทหารอายการแต่ละหน้าที่คืออยู่ในสถานะของตนเองทั้งนั้นถ้าหาว่าไม่รู้จักสถานะของตนเองอันนั้นแปลว่าใช้ สถานะของตัวเองไม่ถูกต้องเดือดร้อนวุ่นวายไปทุกหัวและแหงนั้นขอฝากไว้กับคณะสัตยาญาติโยมลูกหลานทุกหมู่ทุกเหล่าที่อยู่ด้วยกันนั่นแหละอันนี้ก็คือการเป็นอยู่การวางตัวให้ถูกต้องกับสถานะการเป็นเป็นอยู่ของตนขอ ง, ของคนนั้นนี่นรามาพูดเกี่ยวกับพระคุณของพ่อแม่อีกเหมือนกัน พ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามาอย่างลูกหลานทุกคนไปอยู่ไปทำงานสถานที่ต่างๆหรือทำการทำงานกับพ่อกับแม่ก็เถอะเมื่อเราเรียนจบมาแล้วเราก็มาอยู่กับพ่อแม่หรือเราไปที่อื่นทำการงานที่อื่นกลับมาสู่บ้านเราก็ต้องมีพี่น้องโดยกันกี่คนถ้ามีพี่น้องหลายคน คนไหนที่อยู่เฝ้าพ่อแม่ของเราพี่น้องทางไกลามาเราก็มาถามเป็นไงน้องพี่พ่อแม่ของเราสะดวกสบายมีความทุกข์มีโครคภัยไข้เจ็บอะไรบ้างไหมพี่น้องทั้งอยู่ทางไกลก็ต้องมาประชุมหารือกันในพี่น้องปรึกษาหารือกันเราจะช่วยพ่อแม่ของเราอย่างไรขาดเหลือขาดตกอะไรไหม อย่างน้อยก็เนี่ยพาพ่อแม่ไปหาห ม, ามอไปตรวจสุขภาพร่างกายแล้วก็ดูดูเสื้อผ้าที่พักพาอาศัยอาหารการบริโภคอาหารเสริมเป็นยังไงขนมนมเนยเป็นยังไงที่จะให้พ่อให้แม่จากนั้นก็ฝากเงินให้พ่อให้แม่ไว้ใช้ใ ห, ให้พี่ดูแลค่าเป็นค่านา้ำค่าไฟค่าที่อยู่อาศัยพี่ พ, พี่น้องๆ อันนั้นจะเป็นการเกื้อกูลหนุนกันเพื่อให้รู้จักสถานะว่าเราอยู่ไกลแล้วเมื่อเรากลับเข้ามาแล้วก็ควรจะดูแลพ่อแม่อย่างไรแต่ไม่ใช่ว่ากินเหล้าเมายาหวัวแปไม่ใช่หน้าที่ของขาคนที่อยู่ใกล้นั่นแหละรับมรดกเขารับไม่ใช่ว่ารับเฉยเฉยเขาก็ทําไร่ทํานาแยบแทบแยบเหมือนกันเตี้ยงครอบเลี้ยงครัวตัวเองไปเที่ยวสมภเวษเที่เมากลับมาแล้วยัง ขากลับไปยังจะให้พี่ให้น้องส่งค่ารถของตนเองอีกสิ่งเหล่านี้มันมีไหมในพื้นแผ่นดินไทยในกลุ่มของพวกเราเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราคิดนะลูกหลานนะหลวงพอ่อหลวงตาหลวง ต, ตาอินนี่สอนให้พวกเราคิดใช้สติใช้ปัญญาใช้ความรอบครอบเพราะหลวงพ่อเนี่ยอยู่ในกลุ่มทิศหกอย่างที่ว่านคื อ, อทิศเบื้องหน้าน่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 บุตรหญิงบุตรชายของพวกเราทุกคนอย่างส ม, มณะพรามอย่างหลวงพ่อเนี่ยก็เป็นผู้แนะนำสั่งสอนลูกหลานที่มาเกี่ยวข้องให้สอนให้รู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์อันนี้ควรคิดอันนี้ควรทาอันนี้ควรพูดนะลูกหลานนะอันนี้คือหลวงพ่อเนี่ยเป็นส ม, มณะพรามและ น, นำทำคาสอนของพระพุทธศาสนา นำอดีตนำปัจจุบันแล้วก็คิดไปในอนาคตอีกลูกหลานจะวางตัวอย่างไรจึงจะมีความผาสุกร่มเย็นเป็นสุขฮะ อ, อ, อนาคตวางตัวยังไงหลวงพ่อก็บอกว่ า, วานี่นะลูกหลานพวกเราทั้งหลายถึงจะเลี้ยงร่างกายถึงจะเลี้ยงทางด้านวัตถุจะมั่งมีสีสุขร่ํารวยขนาดไหนก็เถอะนะรวยขนาดไหนก็เถอะแต่อีกสักวันหนึ่ง ไม่มีใครจะหนุ่มสาวไปข้างหน้ามีแต่เท่าแก่ชราไปในที่สุดพวกคนก็ถึงจุดจบถึงจะอาหารดีขนาดไหนผ้านุ่งห่มดีขนาดไหนยาแก้โรคภัยไข้เจ็บรักษาดีขนาดไหนสร้างบ้านหรูหราอออาโออาให้อยู่ขนาดไหนมีความสุขขนาดไหนทางด้านร่างกายแต่อยู่ไปเถอะอยู่ไปห้าหกปี เข้าไปแล้วเดี๋ยวก็เห็นผมขาวเดี๋ยวก็เห็นฟันหลุดเด่นเดี๋ยวก็เห็นหนังเหี่ยวเดี๋ยวก็ตาฝ้าฟางเดี๋ยวก็หูตึงเออผลในสุดถ้าไม่ตายง่ายก็นอนอยู่ในบ้านน่ะหลังนั้นแหละมีแต่ตาลืมขึ้นมาแผลบแผบเท่านั้นไม่เห็นใครที่จะหนุ่มสาวไปข้างหน้าเพราะนั้นชีวิตของพวกเราปนี่พระพุทธเจ้าพระธรรมคาสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ว่าเกิดแก่เจ็บตาย ไม่หนีไม่หนีออกจากที่นี่ไปได้เกิดขึ้นมาแล้วก็แก่ทําให้แก่บางคนก็เจ็บป่วยก็มีเข้าสง่งส่งข้าโรงพยาบาลพอในสุดก็ตายในที่สุดเพราะฉะนั้นชีวิตที่หลวงพ่อแนะนําเลยว่า อ, อ, อดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงปัจจุบันและอนาคตยังไม่ถึงหลวงพ่อก็บอกให้ฟังเลยอย่างที่ว่านะแก่เจ็บตายนะลูกหลานนะพระพุทธเจ้ากูบาอาจารย์สอนตายแล้วไม่สูญนะลูกหลานนะ ต่อพระเอกเหงืนอนนเะโ อ, อ้ถ้าตายไปแล้วเห็นแต่ไปเผาไยทุกคนเห็นแต่กระดูกทําไมหลวงพ่ออิฐว่าไม่ศูนย์มันศูนย์แน่แใช่ศูนย์แน่แร่างกายร่างกายของพวกเราในศูนย์แน่ตายแล้วไปเผาฝ่ายเผาไฟเสร็จแล้วยังเอาไปลอยอังคารโปรยลงแม่น้ำโขงบงังโปรยน้ํำทะเลบังจุดแท้แต่ใครอยู่ใกล้แม่น้ําไหนโปรยลงแม่น้ําเจ้าพยาบังอันนี้ก็คือ กระดูกของคนแต่นามธรรมนามธรรมคือใจนะมันไม่ตายเลยตัว น, นั้นนะออกจากร่างได้เหมือนกับ เ, เมื่อร่างกายแตกตายสลายร่างใจตรงนั้นนามธรรมออกจากร่างาพวกเราว่าผี เ, าเรียกว่านามธรรมหรือว่าวิญญาณ เ, เรียกว่าตัวรู้ๆอยู่นั่นแหละอันนี้แหละคือออกจากร่างของมนุษย์ แต่ส่วนร่างกายนี่ตายเอาเผาไฟทิ้งแน่นอนแต่หลักธรรมคมสอนของพระพุทธเจ้านะลูกหลานนะพระพุทธเจ้าเนี่ยหลักธรรมคาสอนพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านให้ความสำคัญเรื่องตัวนั้นตัวผีน่ะตัวนามธรรมตัวผู้รู้น่ะตัววิญญาณท่านให้ความสำคัญจุดนั้นมากกว่าเรื่องรูปประธรรมพระรูปประธรรมพวกเรามองเห็น ถึงจะเลี้ยงอย่างไงก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดนะแก่เจ็บตายในที่สุดถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนก็เลี้ยงเถอะไม่มีใครที่จะหนุ่มไปข้างหน้ามีแต่มรณะถึงที่สุดนะีอันนี้คือร่างกายแต่นามธรรมคือจิตใจตัวนั้นคนะือที่พวกเรามองไม่เห็น น, ะนั่นนะ่ะจุดนั้นแหละพระพุทธเจ้าให้ความสําคัญในหลักพระพุทธศาสนาให้ความสําคัญท่านยกเป็นพระบาลีว่านะมโนปุพังขมาธรมมา มโนเสรามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจนี่แหละใจดวงนั้นนหะครับว่าใจนั่นแหละคือนามธรรมจุดนั่นนะเมื่อร่างกายแตกใจร่อนออกจากร่างไปปฏิสนธิในภพภูมิต่างๆไปเกิดเป็นหมูหมากาไกา่ไปเกิดได้ที่ไหนได้หมดถ้าเราทํากรรมชั่วนะเพราะฉนั้นให้ทําแต่กรรมดีสิ่งคิดดีทดําดีพูดดีเมื่อออกจากร่างนี้แล้วก็จะไป สู่สุขติได้แต่เราทำคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วแล้วกรมชั่วน่าจะพาตกต่ำไปสู่ภพภูมิต่างๆอาจจะไปตกนรกก่อนจากนั้นก็นมาเป็นเปรตไปเกิดเป็นสัตว์ทิรฐิฉันได้ทุกประเภทเพราะนั้นให้ศึกษาวิธีการพิสูจน์พิสูจน์อย่างไรมีไหมที่จะพิสูจน์เรื่องนั้นได้พระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านให้หลักพิสูจน์ไว้คือท่านบอกว่าให้นั่งภาวนา นั่งภาวนาอย่างพระประธานนะที่พวกเราลูกหลานได้เห็นนั่งทั้งหลังหลวงพ่อเนะี่ยท่านนั่งอย่างไรนั่นละนั่งอย่างนี้หละนั่งคัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงหลับตาจากนั้นกับบริกรรมภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธเมื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งพอรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วน่ะเราจะรู้ได้ว่าร่างกายกับใจเนี่ยเป็นคนละอันกันนี้ เห็นได้ชัดด้วยตนเองเลยล่ะไม่ต้องถามใครเลย เ, เมื่อจิตใจรวมสงบลงไปแล้วจะเห็นร่างกายกับใจคนละอันกันคนละแนวกันหลวงพ่อเปรียบเทียบให้ฟังว่าเหมือนกับรถกับคนขับรถอย่างนั้นแะเมื่อจิตใจรวมสงบลงไปแล้วเราจะรู้ว่าเราเป็นโซเฟอร์รถร่างกายเป็นรถถ้าเราไม่ขับรถถ้าเราไม่คิดจะขยับร่างกายมันก็ไม่ขยับถ้าเราคิดขยับขึ้นมา รถมันก็ขยับนี่ก็เหมือนกันพอเราโออยากจะไปแล้ววะเราก็จะตัดเครื่องพอจะตาดเครื่องเสร็จแล้วนะเราจะไปที่ไหนเราก็เข่าเกียร์เกียบคพันเร่งไปเรื่อย น, ะนี่แหละอันนี้ก็คือใจของเราเนี่ยเหมือนกับโซเฟอร์รถส่วนร่างกายเหมือนกับรถเป็นเครื่องสนองของของใจของตัว ตรงนมามพระธรรมคือผีนะว่า ง, งั้นเอผีเข้ามาคองล่างน่แต่ถ้าว่าใจของเราเป็นคนเกเลไม่มีคุณธรรมจริยธรรมพอขับรถเข้าไปทีนี่นั่นแหละเหยียบด่าไปหมดแล้วก็เห็นคนก็ บ, บีบแกด่าไปหมดให้เขาคนที่ไม่ดีคนที่กินเหล้าเมายายขั้นขึ้นขับรถดูสิรถคันนี้มันกะเซซ้ายเซขวาเหมือนกันนะ เพราะเพราะว่าโซเฟอร์เน่เมาโซเฟอร์นิสัยไม่ดีโซเฟอร์นักเลงฮะนี่แหละอย่างนั้นได้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ให้อบรมใจเอาธรรมะเข้าอบรมจิตใจถ้าจิตใจมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมดีแล้วเข้ามาครองร่างของผู้ใดไปอยู่ในสถานที่ใดร่มเย็นเป็นจุขด้วยกันทั้งหมดถ้าหากว่า จิตใจของคนนั้นโซเฟอร์คนนั้น เ, เป็นคนไม่ดีเห็นแก่ตัวนักเลงหัวไม้มีแต่ใช้นักเลงปนข่าอะไรมาอยู่ในร่างนี้ร่างรถคันนี้ก่อนน่ะเป็นนักเลงไปด้วยเพราะนั้นขอฝากไว้กับขณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคู่ทุกคนนอะใจสมควรจะได้รับการอบรมด้วยศีลด้วยธรรมเมื่อใจของเรามีศีลมีธรรมแล้วความสงบร่มเย็นเป็นสุข ก็จะเกิดขึ้นในทุกหัวละแห่งอยู่กับคร อ, อบครัวครอบครัวก็ร่มเย็นเป็นสุขอยู่ในวัดกับวัดร่มเย็นเป็นสุขอยู่กับหมู่กับเพื่อนร่มเย็นเป็นสุขด้วยกันทั้งนั้นแหละแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้รับการอบรมโซเฟอร์ไม่ได้รับการอบรมมีแต่โลรโหโมกนะัะมีแต่โลคโกรธหลงในจิตในใจมีแต่ใช้อารมณ์อฉุนเฉียวโกธารักโลคโกรธหลงอยู่ตลอดเวลานี่แต่จะเอารัดเอาเปรียบคนอื่นอยู่ตลอดเวลา อยู่ที่ไหนก็มีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายไปทุกหัวละแหงเพราะนัขอฝากไว้กับลูกหลานนะนี่แหละวันนี้เป็นวันที่15วันที่15บห้าวันสงกรานันที่13 14ี่1ิบห้าแล้วก็วันที่16เป็นวันทำการทำงานของพวกเราจากวันนี้ไปแล้วก็คงจะแยกย้ายกันกลับไปหาที่ทำการทำงานคนนานทีปีหนพวกเราจรึงได้มา รวมกันหลวงพ่อจึงได้แนะนำทำคำสอนของพระพุทธศาสนาให้พวกเราทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาเป็นแนวทางนำชีวิตของพวกเราให้มีแต่ความสุขความเจริญท่าทพวกเราได้นำทำคำสอนไปประพฤติธปฏิบัตินะให้รู้จักพระคุณของบิดามารดาครูประชาอาจารย์ผู้ปีวิยวุฒิคุณวุฒิให้รู้จักสถานะของตนเองเราอยู่ในสถานะไหน ควรวางตนอย่างไรหลวงพ่อได้บอกกล่าวให้กับลูกหลานทั้งหลายได้ฟังเป็นแนวความคิดต่อนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรแล้วนะทีนี้นะให้พวกเราอุทิศ ส, ส่วนกุศล น, นะขณะที่พระสงฆ์อนุโมทนาให้พรในะพวกลูกหลานทั้งหลายน้อมจิตอุทิศ ส, ส่วนกุศลดวงวิญญาณพ่อแม่ปู่ย่าตายายให้อยู่นสถานที่ใดตกทุกข์ใยากอย่างไรใหมารับส่วนบุญจาก พวกผู<ภ>้ฆ <BE> ่าทั้งหลายด้วยเธอเนี่ยในคิดในใจนะเพราะว่าใจวิญญาณเนี่ยเป็นของละเอียดอ่อนพวกเราก็เอาใจของเราอุทิศส่วนกุศลให้เมื่อเรามีร่างกายเราก็ส่งของอยาบให้คือร่างกายเงินคําทรัพย์สมบัติขนมนมเนยให้กับร่างกายในเมื่อท่านหลวงรับไปแล้วก็ต้องส่งวิญญาณสูงวิญญาณตัววิญญาณส่งหากันเมื่อเราทําคุณงามความดีเสร็จแล้ว เรา็อทูศส่วนกุศลด้วยคุณงามความดีของเรานะให้ดวงวิญญาณของผู้มีอุปการะคุณนะ